สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิอิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยสิบสามนะครับตอนที่สี่ร้อยสิบสามติดตามห่างๆพระเจ้ า, าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่ยี่สิบสองพระธรรมลูกาบทที่ยี่สิบสองข้อที่ห้าสิบสี่โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า <c oughs> เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตประจำการเปโตติดตามพระองค์ไปห่างๆพี่น้องครับสามสี่วันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับก็พูดถึงเรื่องของชีวิตของเปโตที่ล้มเหลวและผิดพลาดประการที่สี่นี้เป็นประการสุดท้ายก็คือการติดตามพระเยซู พี่น้องครับเปโต้นั้นไม่เหมือนกับยอนในพระธรรมยอนในบันทึกบอกว่าขาวกที่โปร่งทรงรักก็คือหมายถึงตัวของท่านยอนนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของมหาฟุโรหิตยอนนั้นก็ยังติดตามพระเยซูเดินไปกับพระเยซูจนทั้งถึงบริเวณที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแต่เปโต้ครับตำบีบันทึกว่าเขาติดตามห่าง ห่างๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านมหาปุโรหิตและนั่งอยู่ท่ามกลางพวกคนใช้ปะปนตัวเองเนียนมากเข้าไปอยู่ในพวกคนใช้แต่มีสาวใช้คนหนึ่งเห็นพระเยซูเห็นและเห็นเปโต้ด้วยและบันทึกว่าเห็นเปโต้นั่งอยู่ในแสงไฟจิงเพ่งดู แล้วผู้หญิงคนใช้คนนี้ได้พูดว่าเปโตนี้ได้อยู่กับคนคนนั้นด้วยหมายถึงอยู่กับพระเยซูด้วยนั่นคือเหตุการณ์เริ่มต้นที่เปโตเริ่มปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับในช่วงวิกฤตเปโตติดตามพระเยซูห่างเกินไปห่างเกินไปจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะปฏิเสธพระเยซู ในพนระดรรมลูการบทที่ยี่สิบสองบทเดียวกันนะครับข้อที่ห้าสิบห้าห้าสิบหกเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับชัดเจนเลยครับว่าในที่สุดเปโตก็พ่ายแพ้การทดสอบเปโตนั้นจริงๆก็เหมือนกับสาวกคนอื่นครับก็คือพระมกพิบันทึกว่าทิ้งพระเยซูไปแต่ด้วยความผูกพันในอดีตที่เคยมีมากับพระเยซูเคยติดตามกัน เป็นสาวกเป็นอาจารย์กันมาก่อนเคยมีความสัมพันธ์กันแต่เมื่อเกิดวิกฤตเมื่อเกิดวิกฤตพระเยซูถูกจับพวกเขาก็ทิ้งนะครับแบบตามหรือเรียกว่าตามแบบทิ้งทิ้งแบบตามและตามแบบทิ้งก็คือหมายถึงตามห่างๆครับจะทิ้งก็ไม่ทิ้งไปเหมือนกับยูดาสแต่จะตามก็ไม่ตามติด เหมือนกับยอนทีน้องครับเปโตก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับสาวกหรือพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือตามก็ไม่ตามติดทิ้งก็ไม่ทิ้งแต่ใช้วิธีการตามแบบห่างๆและทําให้เปโตนั้นพลาดเพราะว่าติดตามห่างเกินไปการติดตามห่างเกินไป มีโอกาสหลุดได้ง่ายครับมีโอกาสปฏิเสธพระเยซูเหมือนเปโตรการติดตามห่างๆก็มีโอกาสหลงไปกับโลกหลงไปและเห็นความสําคัญของโลกมากกว่าเห็นความสําคัญของแผ่นดินสวรรค์การติดตามห่างๆทาให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างกระายเป็นรูปเขารบแทนที่จะน้ัสการพระเยซูเอาพระเยซูเป็นองค์ผู้นเจ้าเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตของเรา การติดตามห่างๆนั้นทำให้เรามีโอกาสหลุดจากความมั่นใจในพระองค์มั่นใจน้อยลงและรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยต่อไปแล้วการติดตามห่างๆนั้นทำให้เรามีโอกาสไพ้แพ้แม้กระทั่งผู้หญิงครับการติดตามห่างๆมีโอกาสทำให้เราโกหกหลอกลวงเพราะเรากลัว จากเปโตที่คนกล้าหานนะครับหรือกล้าบ้าบินกลายมาเป็นคนที่รักตัวกลัวตายครับไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยพูดไว้ไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำการตาม ห, าห่างจนเกินไปนั่นทำให้ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำและไม่ควรทำเปโตเคยบอกว่าถ้าพระองค์ยอมตายเพื่อพระองค์ได้ ตรงไปไหนข้าจะไปด้วยไปโตนั้นได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมลืมคำพูดที่เคยพูดทั้งต่อหน้าสาธารณชนและส่วนตัวกับอาจารย์พระอาจารย์ที่เขารักการติดตามห่างนั้นทำให้ชาตานเกือบทำงานของมันสำเร็จครับคือทำลายความเชื่อความศรัท ธ, ธาทำลายชีวิตนิรันดร์ที่ พระเจ้าได้ให้ครับเหมือนกับที่ซ า, า, าตานนั้นเคยทำลายยูดาสมาแล้วแต่พี่น้องครับความรอดที่เกิดจากการเลือกสรรของพระเจ้าการกําหนดไว้ล่วงหน้าไม่เคยสูญเสียต่อไม่เคยสูญเสียได้ครับความรอดสูญเสียไม่ได้ครับแต่ความเชื่อจอมปลอมสูญเสียได้ ที่นั่นครับเรามาดูครับว่าสาเหตุจานตามห่างเพราะว่าเปโตรนั้นเกิดความไม่แน่ใจเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ทําตามที่เขาคาดหวังเขาตั้งใจจะปกป้องพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าพอแล้วเขาตั้งใจที่จะฟันหัวของธาตุแต่พลาดไปตัดหูเขาแต่พระเยซูกลับไปต่อหูเขา เขาอยากจะต่อสู้แต่พระเยซูกลับยอมเขาผิดหวังในตัวของพระเยซูระดับหนึ่งครับเพราะพระเยซูไม่ได้ทําตามที่เขาคาดหวังพระเยซูไม่ได้ทําตามใจของเขาพระเยซูทําไม่ถูกใจเขาเพียงครับเรามาดูในข้อที่สามสิบแปดข้อที่สามสิบแปดเป็นข้อที่มีความสําคัญ ในขณะที่พระเยซูได้บอกกับเขาขอโทษครับไม่ใช่ข้อสามแปดะข้อสามสามนะครับฝ่ายท่านทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดีพระองค์ตัดว่าเปตโตรเอ๋ยเจ้าเราบอกท่านก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้ง พียงครับพระเยซูถามเขานะครับว่าเจ้าจะสละชีวิตเพื่อเราหรือเจ้าจะสละชีวิตเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราถึงสามครั้งเพีองครับการติดตามห่างๆนั้นทําให้เปรตตไม่แน่ใจเราคนหนายก็เช่นเดียวกันครับหากเราติดตามห่างๆเราก็จะเริ่มไม่แน่ใจไม่แน่ใจ เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าพระเยซูไม่ทำตามที่เราคาดหวังยูดาสนั้นต้องการที่จะควบคุมพระเยซูให้พระเยซูทำตามแผนของเขาเพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์เปโตดีกว่านิดหน่อยครับก็คือเปโตอยากให้พระเยซูทำตามใจของเขาแต่ยูดาสนั้นสาตานขอไว้และยูดาสเลือกที่จะเป็นทาสของซาตานเมื่อถึงเวลาซาตานเข้าสิง เปโตกับเหล่าสาวกคนอื่นซาตานก็ขอไว้เช่นกันครับแต่พระเยซูขอคืนขอคืนจากพระบิดาโดยการอธิษฐานเผื่อพระเยซูได้ขอพวกเขาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ในที่สุดแล้วเปโตกได้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องมีสองประการครับก็คือหนึ่งพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเขาและขอพวกเขาไวกับพระบิดานะครับ ให้เขาที่จะถูกใช้ได้เป็นคนที่ใช้ได้และเขาจะไม่เลิกและเมื่อถึงเวลาเปโตร ก, กับใจเสียใจและเป็นทุกข์แต่ไม่ฆ่าตัวตายเปโตรลม้มลงแต่ไม่เหยียดยาวลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเขายังอยู่กับเหล่าสาวกยังมีสามาัคคีธรรมกับผู้เชื่อพินักับนี่คือสิ่งที่สาคัญมากการที่เรา แม้ว่าจะติดตามห่างๆแต่เขายังไม่ทิ้งพระเยซูในขณะับเดียวกันเขายังอยู่กับสาวกครับยังมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อเพราะฉะนั้นการมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อการมีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงการมีกลุ่มแคร์ที่เราจะสังกัดการที่เรายังมีความสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียนที่รักข้าเจ้าอยู่นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะทําให้เราไม่หลุดในที่สุด และสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือในพระธรรมลูกาบทที่22นะครับพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่67ได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับว่ า, mm. วาองค์พระบุญเจ้าทรงเหลียวดูเปโตแล้วเปโตก็ระลึกถึงคำขององค์พระ บ, บุนเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นักพี่น้องครับคาว่า เปซูหันมาทอดพระเนตรในภาษากรีกนะครับใช้คำว่า po, e อม l e p o พเอมนั่นหมายคำว่าเป็นการทอดพระเนตรแบบ ix, look, Fix l o ล k กนะครับก็คือตปรงตั้งใจนะครับแล้วก็มองด้วยความหมายครับเป็นการจ้องมองด้วยสายตาแห่งความอ่อนโยนสายตาแห่งการให้อภัยสายตาแห่งหัวใจของโรงที่บอบช้ำนะครับ ตอนนั้นเนี่ยโปรงถูกฟกช้ำแล้วครับถูกตีแล้วนะครับแต่ว่าโปรงได้มองเขาด้วยด้วยสายตาที่โปรงทรงทราบหมดทุกอย่างและด้วยความรักผ่านอารมณ์ผ่านความรู้สึกผ่านจิตสำนึกผ่านจิตวิญญาณของเปโตแทงทะลุเข้าไปถึงระดับจิตวิญญาณและด้วยการมองนี่เองทำให้ในที่สุดเปโตกลับใจครับเปโตเสียใจ เปโตรออกไปร้องไห้เป็นทุกข์นะครับนี่คือสายตาสายพระเนตรของพระเยซูที่มองเปโตรในวันนี้เช่นเดียวกันครับหากสายพระเนตรนั้นทอดมาถึงเราให้เราสํานึกให้เรากับใจและในที่สุดเมื่อเปโตรกับใจเขาเป็นผู้ที่ชูกําลังพี่น้องของเขาบันทึกไว้อยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่หกและข้อที่ 7. เจ็ดพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่า ความเชื่อนั้นไม่สูญเสียครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความเชื่อแท้จริงความเชื่อที่ถูกเลือกไว้ถูกได้รับความรอดเพราะฉะนั้นความรอดของเขาไม่สูญเสียแต่ความเชื่อปลอมสูญเสียได้ครับการทดลองวิกฤตที่เข้ามาทําให้เรารู้ว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นความเชื่อปลอมหรือความเชื่อจริงพี่น้องโปรดฟังพระพระเจ้าตอนนี้นะครับ ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริญยิ่งกว่าทองคําซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์สีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสจะเสด็จมาปรากฏอย่าลืมนะครับพี่น้องครับความรอดไม่สูญเสียครับ แต่ความเชื่อจอมปลอมสูญเสียได้ความเชื่อแท้จะต้องพิสูจน์ด้วยไฟหมายถึงการทนทุก์ในการทดลองต่างๆอามีน